ก็ได้ลงไปฟังการสวดปฏิโมกขนะที่วัดเจ้าคณะอำเภอหลายคนไม่ได้เข้าไปในเมืองนี่นานเป็นเดือนละโดยเฉพาะพระใหม่บางคนนี่ตั้งแต่บวชมานี่ไม่ได้เข้าไปในเมืองเลยนะ่มันเป็นเวลาสองเดือนกว่า เมื่อเข้าไปในเมืองวันนี้เนี่ยก็คงจะเจอบรรยากาศที่มันแตกต่างจากชีวิตที่สุขโตเพราะว่าไปเจอบรถที่ทุกพล่านคนที่ควักใขวหลายคนเนี่ยรู้สึกพึงพอใจกับความสงบ ที่สุกโตพอลงไปเจอบรรยากาศในเมืองข้างล่างนี่ก็จะรู้สึกนะใจกบเพื่มขึ้นมาเลยอาจจะรู้สึกนะขัดหูขัดตาทั้งๆ ท, ที่มันเป็นภาพที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วต่อเป็นคาราวาสแต่พอมาบวชพระแล้วก็มาใช้ช่วย ส, ส่วนใหญ่ อยู่ในป่ามันเห็นความแตกต่างเลยนะกับสภาพในเมืองที่แก้งเคราะห์ยังดีนะที่แดดไม่ร้อนมากเนี่ยหลายคนเนี่ยอยู่ในวัดนี่นานนะเป็นเดือนสองเดือนพอลงไปข้างล่างนี่จะรู้สึกขัดใจขึ้นมาเลยนะเพราะมันร้อน แต่วันนี้ก็ไม่ถึงขนาด น, นั้นก็ลองสังเกตใจของเรานะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอาจจะรู้สึกถึงความกระเพื่อมในใจนะั้นม่มีสิ่งมากระทบทั้งที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจและแน่นอนนะสิ่งเราเนี่ยก็เยอะบางคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสงบเพราะว่าการปฏิบัติ ก็วางจิตวางใจถูกพอเข้าไปในเมืองวันนี้นี่ก็ลองถามตัวเองว่าเรายังรักษาความสงบในใจได้หรือเปล่าหรือว่าใจเราว้าวุ่นอันนี้ก็แสดงว่าความสงบที่เกิดขึ้นกับเรามันยังอาศัยสิ่งแวดล้อมพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนะจาก ่ากลายเป็นเมืองจากคนที่เบาบางกลายเป็นคนที่พุกพล่านและเรารู้สึกว่าวุ่นนะฟุ้งซ่า น, นอันนี้แสดงว่าการปฏิบัติของเรานะยังยังไม่เพียงพอนะเรายังพึ่งพาสายสิ่งวดร้อมอยู่ซึ่งถ้าสิ่งวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปใจก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้มันก็ยังไม่ยังไม่ถูกทีเดียวนักนะ และมันไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่มาเร่าใจให้ให้หงุดหงิดนะบางครั้งอาจจะมีสิ่งเร่าใจให้เกิดความเพลิดเพลินก็ได้หรือว่าไม่ได้เราใจะให้เกิดความขุ่นมัวนะแต่ว่าเร่าใจให้เกิดความอยากนะเช่นผ่านร้านอาหารบางทีก็อาจจะนึกถึงน้ําอัดลม น้ำเย็นๆนะที่เคยกินเป็นประจำตอนเป็นคาราวาร่าผ่านร้านเซเว่นก็อยาจะเข้าไปซื้อไอติมแต่ว่าหลายคนก็ห้ามใจเอาไว้เพราะว่าเป็นพระนะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในใจเรานะมันก็เกิดความ ขัดแย้งขึ้นมาเกิดแรงต้านขึ้นมาพ่อไม่ได้ทำตามความอยากหรือไม่อาจทำตามความอยากได้ก็กลายเป็นทุกข์นะไอที่ทำตามกิเลสก็มีนะแต่พอทำเสร็จแล้วนี่ยก็มาเสียใจยว่าในเราไม่น่าเลายการที่มันเกิดความขัดใจขึ้นมาไม่ว่าเป็นพ่อมีสิ่งเราที่ทำให้จิตมองมัว หรือว่าเกิดหนุดความหนุดหงิดหรือเราจใจเกิดความอยากแต่ไม่อาจจะสนองความอยากได้เนี่ยมันเป็นของดีนะอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องทดสอบใจของเราว่าเนี่ยเราปฏิบัติได้ได้ดีแค่ไหนและการที่เรามีความขุ่นมัวมีความหนุดหงิดมีความอยากหรือมีความว้าวุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวเสมอไปนะ เพราะว่ามันก็เป็นเครื่องที่มันเป็นสิ่งที่มาทดสอบด้วยนะว่าเราจะเอามันอยู่ไหมเราจะปล่อยใจให้เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นทุกข์ไปกับสิ่งเราที่มากระทบหรือเปล่ามันเป็นแบบพุทธะที่ดีเลยทีเดียวถ้าเราอยู่ในที่ที่สงบสบายบางทีเราประมาทนะ เราคิดว่าเออเราปฏิบัติดีแล้วเราจรึงใจสงบแล้วพอมันมีสิ่งที่มาทำให้ใจเราสงบสบายแล้วมันก็เลยเฉยเหนื่อยนะในทางตรงข้ามถ้ามันมีสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิดความขัดใจ mm hmm. กระตุ้นให้เกิดความหงุดหงิดหรือแม้แต่ความโลภเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบฝึกหัดว่านเนี่ย เราจะใช้สติรับมือกับอารมณ์เหล่านี้อย่างไรมันจะาเกิดความตื่นตัวขึ้นมาและการขัดใจหรือความขัดใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะขัดใจเราอีกแบบหนึ่งนะขัดใจเนี่ยในแง่หนึ่งก็มาถึงเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจแต่ขัดใจอีกแบบหนึ่งก็มาถึงว่าขัดใจให้ประณีตขัดใจให้สะอาดขัดใจให้งดงาม หรือว่าช่วยลบเหลี่ยมลบมุมนะลบหรือขัดความกระด้างให้มันออกไปซึ่งมันก็เป็นของดีคนเราเนี่ยก็ต้องนะต้องเจอสิ่งที่ขัด อ, อกขัดใจบ้างถ้าเจอแต่สิ่งที่ถูกใจหรือเจอแต่ความสมหวังอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่เติบโตนะมันไม่พัฒนานะมันกลายเป็นเกิดความประมาทขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่ขัดใจสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่สมหวังแล้วนี่ มันช่วยทําให้เราเกิดการเติบโตเกิดการเรียนรู้ได้มากนะครูบาอาจาเนี่ยที่ดีที่เก่งเนี่ยนะที่มีความใส่ใจลูกศิษยเนี่ยก็จะหาทางทำอะไรก็ได้นะที่จะขัดใจของเราที่จะไม่ตามใจเราที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สมหวังเสียทีเดียวนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะ เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อมากนะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชัยนันสมุทรวันนิตเป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อมากมันเป็นราชบัณฑิตนะที่มีผลงานเยอะเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ยุคไม่ถึงสี่สิบเลยนะตอนที่ท่านเป็นนักเรียนเนี่ยไปเรียนที่ไปเรียนไปทําปริญญาเอกที่อเมริกานะหมหาวิทยาลัยที่ท่าน เหรือนี้ก็เป็นมหาวิทายาลัยชั้นนำติดหนึ่งในสิทธนะ์ของอเมริกามหาลัยเมดิสันวิสคอนซินก่อนทีท่านเป็นนักศึกษาเรียนเอนี่ท่านมีความฉลาดปราดเปรื่องมากนะเรียนวิชาไหนเนี่ยได้เอหมดเลยทั้งตั้งที่อาจารย์นี่ก็เป็นอาจารย์ที่เก่งแล้วก็ข้อสอบก็ไม่ใช่ง่ายๆ แต่ว่าเวลาสอบทีไรเนี่ยนะได้เอแทบทุกวิชาเลยยกเว้นวิชาเดียวนะมีวิชาได้วิชาได้ดีบวกนะอาจารย์ชายนันแกก็ผิดหวังนะเพราะว่าเชื่อว่าตัวเองทำข้อสอบได้ดีตอนหลังอาจารย์ก็อาจารย์ที่ให้คะแนนเนี่ยเป็นฝรั่งอเมริกันเนี่ย ภายหลังก็อธิบายว่าให้เหตุผลว่าเนี่ยที่จริงเธอนะสมควรจะได้ A นะแต่ที่ผมให้ B บวกก็เพราะว่าจะได้ไม่เหลิงนะจะได้ไม่คิดว่าเนี่ ย, ยการสอบให้ได้ A นี่มันเป็นเรื่องง่ายอาจารย์ตั้งใจนะให้ B บวกเพราะว่านักศึกษาจะได้ไม่เหลิง ไม่ได้คิดว่ากูเก่งเม็นเหตุผลที่น่าสนใจนะบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้ให้คะแนนตามเนื้อผ้าอาจารย์ที่ดีนะก็บางทีก็ไม่ได้ให้คะแนนตามเนื้อผ้าเพราะหน้าที่อาจารย์เนี่ยไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้หรือวัดความรู้อย่างเดียวอาจารย์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องรู้จักสร้างทัศนคติด้วยถ้าให้แต่ความรู้เนี่ยมันไม่พอนะมันต้องสร้างทัศนคติ ที่ดีที่เกื้อกูลท่านสักกติยานั่นคือว่าไม่เหลิงนะไม่ประมาทไม่ไม่เหลิงว่ากูเก่งเพราะอันนั้นจะทำให้ขาดการเรียนรู้อาจารย์ฝรั่งคนนี้แกก็รู้นะว่าเนี่ยถ้าให้ให้ a ไปนี่เดี๋ยวนักศึกษาไทยคนนี้จะเหลิงเพราะนั้นให้ B บวกฉันเลยนักศึษาผิดหวังก็จริงนะแต่ว่า ได้บทเรียนนะว่าอย่าไปาเลิงมันเป็นการช่วยลดอัตราได้แล้วคนเราเนี่ยถ้าอัตตาพองโตนี่นะมันเป็นอุปสรรคนะขัดขวางการเรียนรู้นะไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนแต่ถ้าลดอัตราได้นี่มันก็จะช่วยทำให้เปิดใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น เมืองไทยเราเนี่ยนะมีโค้ดคนนึงที่เก่งมากนะโค้ดออสเนี่ยโค้ออนี่เป็นหรือคุณเกติพง์เนี่ยนะแกเป็นโค้ดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตินะแล้วแกก็มีเทคนิคในะการอบรมปแปลกๆนะอย่างเช่นเวลาให้ทีมวอลเลย์บอลเนี่ย แข่งกันเองเนี่ยเป็น2ทีมเนี่ยและตัวแกเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยบางครั้งนะทีมหนึ่งเนี่ยตีลูกเนี่ยตีลูกออกนะแกก็ตัดสินว่าเป็นลูกดีบางครั้งอีกทีมหนึงเนี่ยตีลูกดีนะอยู่ในเส้นแกบอกว่าออกให้คนที่ได้คะแนนนี่ก็ดีใจแต่คนที่เสียคะแนนไปก็เสียใจ หลายคนก็ไม่พอใจนะก็ฉันตีลูกดีทำไมกรรมการว่าให้ออกว่าตีลูกออกนะไปไวายใสโค้รออดโคตรออกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้นะเพราะว่าในชีวิตจริงหรือในสนามแข่งเนี่ยบางทีผู้ตัดสินก็ตัดสินผิดนะบางทีผู้ตัดสินก็ตัดสินผิดนะตัดสินไม่ถูกต้อง และถ้าพวกเธอเนี่ยไม่สามารถยอมรับการตัดสินแบบนี้ได้เนี่ยแล้วเธอหงุดหงิดนะเธอโมโหโนเนี่ยเธอก็จะเสียสมาธิในการเล่นแล้วก็จ ะ, ะเสียคะแนนไปเรื่อยๆนีในสนามจริงเนี่ยมันไม่มีหรอกนะความถูกต้องร้อเอร์เซ็นเนี่ยกรรมการไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะตัดสินได้ถูกหมด กรรมการตัดสินผิดมันก็มีแล้วจะต้องเจอบ่อยๆไม่ต้องทำใจให้ได้ยอมรับความจริงว่าบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องและพอยอมรับได้เนี่ยก็จะทำให้ตั้งสติไม่หัวเสียไม่ฉุนเฉียวทำให้มีสมาธิอาการเล่นได้เหตุผลของโค้รออนนี่น่าสนใจนะมันเป็นการสร้างทัศนคติหรือสร้าง ความเข้าใจนะที่จําเป็นมากสําหรับการแข่งกีฬาระดับโชคระดับชาติหรือระดับโลกที่จริงไม่ใช่เฉพาะทัศนคติในการแข่งกีฬาอย่างเดียวนะมันเป็นทัศนคติที่สําคัญของชีวิตด้วยเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีมัน ม, มีหรอกนะความแฟร์ความถูกต้องนะบางทีมันก็ไม่แฟร์บางทีก็ไม่ถูกต้องนะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในสนามแข่ง แต่ถ้าเราหัวเสียกับมันนะทำใจอยอมรับไม่ได้นี่มันยิ่งทาให้เราแย่ลงแต่ถ้าเราทำใจได้ยอมรับได้เราก็ตั้งตัวใหม่นะ้วก็เรียนรู้ที่จะมีสมาธิกับการแข่งหรือการทาปัจจุบันให้มันดีที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ของของครูเลยนะที่จะสร้างทัศนคติด้วยการทำให้ลูกศิษยนะ์ต้องเจอกับ ความผิดหวังนะเจอความไม่สมหวังนะเพราะมันช่วยทำให้นะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เป็นการฝุดจิตฝุดใจนะจะมีแต่ทักษะความสามารถอย่างเดียวไม่พอนะทักษะดีแข็งแรงแต่ถ้าสติเนี่ยไม่ดีไม่รอบไม่รอบด้านนี่มันก็เสียผู้เสียคนหรือว่ามันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการ ทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้อย่าว่าแต่การแข่งขันเลยแม้แต่การดาเนินชีวิตเนี่ยก็จะก็จะลำบากนี่เราจะเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีท่านก็หนะาทางทำให้ลูกศิษย์เนี่ยผิดหวังนะเพราะว่าความผิดหวังหรือว่าการถูกนะการเจอความไม่สงหวังเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้และทำให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองด้วย ที่อเมริกานี่มีอาจารย์เซนคนนึงนะเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยชื่อชุนเยว่สุ ส, สกิเมื่อชัก60 70ปีที่แล้วนี่ท่านก็เป็นมาสอ น, นเซนในอเมริกาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งสำนักเซนสำนักปฏิบัติธรรมแบบเซนแห่งแรกในอเมริกาในอเมริกานี่มันมีวัดเซนอยู่เยอะนะแต่ที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ย มีน้อยยังไม่มีเลยนะก็ท่านชุนเยลเนี่ยมาสร้างแล้วลูกศิษย์นี่ก็เป็นคนอเมริกันเยอะส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวเราสำนักที่ท่านตั้งนี่นะก็ก็มีระเบียบอยู่อย่างหนึ่งนะที่จริงก็ไม่เชิงเป็นระเบียบนะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยส่งเสริมการกินอาหารแบบมังสวิรัตอกินเจนะอาจารย์ชุนเยลก็กินเจด้วยนะท่านก็กินเนื้ออยู่บ้างแต่น้อยแต่ว่าก็ไม่ใช่บังคับนะ แต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ก็จะพลอยนะกินเจไปด้วยวันนึงเนี่ยอาจารย์ก็พาลูกศิษย์เข้าไปในเมืองเป็นชายหนุ่มคนนึ่งนะไปทำธุระในเมืองพอทาธุระเสร็จท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกินอาหารกันแล้วท่านก็เดินตรงไปที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ลูกศิษย์งงเลยนะอาจารย์สมัยไปกินเนื้อนะ ทำมอาจารย์ไม่กินเจพอไปถึงเนี่ยลูกศิษย์ก็สั่งนะแฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีสนะไม่มีเนื้อเพราะลูกศิษย์ก็กินเจแต่อาจารย์เนี่ยสั่งแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยใส่พร้อมกับไส้เนื้อนะเนื้อเนี่ยเต็มที่เลยพอพนัก ง, งานเขาเอาแฮมเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟสองคนเนี่ย ลูกศิษย์ก็กินแฮมเบอร์เกอร์เจนะอาจารย์ก็เริ่มจะ ก, กินแฮมเบอร์เกอร์ที่มีเนื้อแต่ว่าอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์กินก่อนนะแล้วก็ถามลูกศิษย์ว่าเป็นไงอร่อยไหมลูกศิษย์บอกอร่อยครับนะอาจารย์บอกงั้นมาแลกกันนะเธ <laughs> อกินแฮมเบอร์เกอร์เนื้อไปนะฉันกินแฮมเบอร์เกอร์เจแฮมเบอร์เกอร์ชีสลูกศิษย์ตาค้างเลย ลูกศิษย์เนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยเห็นว่าการกินเนื้อนี่มันไม่ดีนะใครที่กินเนื้อนี่มันแย่อาจารย์นี่กลับให้ฉันเนี่ยมากินแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนะมโมโหโอาจารย์มากเลยนะอาจารย์แก้งเลยนะอาจารย์สั่งแฮมเบอร์เกอร์เนื้อแต่อาจารย์ไม่กินกลับมาให้ลูกศิษย์กินนะแต่ว่าลูกศิษย์ก็ได้เรียนรู้นะอาจารย์ต้องการสอนอย่าไปติดยึดนะกับกับเนื้อหรือว่ากับอาหารเจ อาจารย์เนี่ยไอ้ลูกศิษย์เนี่ยนะติดติดยึดมากนะพอเห็นอาจารย์กินแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนี่ก็นึกในใจแล้วอาจารย์นี่แย่นะกินกินเนื้อได้ยังไงแต่ไม่คิดว่าอาจารย์นี่จะม า, าสลับนะให้ตัวเองเนี่ยกินแฮมเบอร์เกอร์เนื้อแทนก็ต้องกินนะเพราะว่าอาจารย์กลาลังสอนว่าอย่าไปติดนะอย่าไปติดกับเนื้อหรือผักนะอันนี้ท่านสอนลูกศิษย์นะที่ ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นการสอนที่มันไม่มีในในในหลักสูตรหรือในการปฏิบัตินะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยท่านสอนเพราะนั้นเนี่ยการเจอความขัดอกขัดใจเนี่ยนั่นมันเป็นสิ่งจำเป็นเลยสาหรับการเรียนรู้และในการปฏิบัตินะในการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเรื่องจิตใจเนี่ยเราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เจอเนี่ยอาจารย์ก็จะ าหาทางที่จะให้เราได้เจอเพื่อที่เราจะเรีรู้หลวง่าชานี่ถ้าเก่งนะ่ในเรื่องนี้นะลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งเนี่ยเป็นพระเพราหลังเนี่ยชื่อท่านวิรัตธรรมโมท่านเล่าว่าเนี่ยสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆนะอยู่ที่วัหน อ, องปลาพงเนี่ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งท่านก็ไปที่วัดถ้ำแสงเพชร ซึ่งเป็นสาขาน้องประพงศ์แล้วก็ที่นั่นเนี่ยท่านก็ได้ฝึกนะท่องปาฏิโมท่านท่องจนได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่หน้องประพง์แล้ววันนึงเนี่ยหน้องประพง์ก็มีการสวดปาฏิโมทธรรมเนียมของหน้องประพง์เวลานั้นเนี่ยจะไม่มีการบอกล่วงหน้านะว่าใครสวดนะ จะถามมาตรงนั้นเลยนะว่าใครสวดได้บ้างหรือบางทีก็เชี่ยวเลยนะคนเชี่ยคือหลว ง, งพ่อชาเนี่ยวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อชาก็ถามนเะวลารรมโอว่าสวดได้หรือยังนั่นเวลาธรโมก็บอกสวดได้ครับอ๋องั้นขึ้นเลยนวลารรมโอเนี่ยตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเป็นการสวดครั้งแรกครูบาอาจารย์ก็อยู่กันเยอะหลวงพ่อชาหลวงพ่อเลี่ยม แต่ทั้งกระสวดนะแล้วกระสวดได้ดีนะพอสวดจบเนี่ยหลวงประชาก็ชมอืมเก่งมากเก่งมากเวลาทมโมนี่ปลื่มเลยนะยิ้มนี่ยปลืมเนี่ยตลอดสองอาทิตย์เลยนะเพราะว่าหลวงประชานี่ไม่ค่อยชมเท่าไหร่พอปักต่อไปเนี่ยหลวงประชาก็ ไม่ถามแล้วชี้เลยนะอา่าวเรราทโมเอาวีเรียกวีนะขึ้นสวดปฏิโมในเวลารมโมนี้ก็มั่นใจมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอยูนะ่แล้วน่าจา ก, การสวดครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ภูมิใจในะที่หลวงพ่อชาเนี่ยให้สวดอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พอเริ่มสวด น, นะไม่ได้ไม่กี่นาทีหลวงพ่อชาก็ก็เริ่มดึงจีวรของท่านเวลาทำโมดึงจีวร แมด่ดึงปะปานะันบางทีก็พูดขัดพูดแทรกนะว่าเนี่ยจีวรฝรั่งไม่ได้ซักเลยเหม็นพูดแทรกนะขณะที่ท่านโยธรรมโมนเนี่ยสวดปฏิโมกแล้วก็แทรกเป็นระยะระยะในสวดปฏิโมกเนี่ยมันต้องอาศัยสมาธินะแต่หลวงพ่อชานเนี่ยท่านก็แทรกท่าขัดแล้วก็ดึงจีวรอยู่เป็นระยะในโยธรรมโ ม, มกเลยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แล้วก็สวดไปติดติขดขั ด, ขดนะ ปกติส่วนเนี่ยใช้เวลาสี่สินาทีคราวนั้นสวดใช้เวลาชั่วโมงยี่สิบสวดจบนี่ท่านผัวเสียมากเลยนะเพราะว่าคล้ายๆเป็นการขายหน้านะขายหน้ามากเลยจากสี่สินาทีกลายเป็นชั่วโมงยี่สิบเนี่ยแล้วก็โกรธหลวงพ่อชามากเลยแต่พอหลวงพ่อชาหัวรอด ท่านก็เลยรู้ว่าเนี่ยลวงพ่อชาแกล้งก็เลยหัวเลาะไปด้วยหลวงพ่อชาแกล้งเพราะอะไรนะแกล้งเพื่อเพื่อที่อะไรกำหลับอัตตาของท่านวิรัติธรรมโมเพราะว่าท่านวิรัติธรรมโอเนี่ยนะพอได้รับคำชมของหลวงพ่อชา ว, ว่าเก่งๆก่นะก็ปลื้มนะอัตตาพองโตนะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะของการปฏิบัติท่านก็เลยแกล้งนะให้เจอกับความอ่า ได้เจอความยากลำบากนะไดะได้รู้จักการเสียหน้านะพอเสียหน้าเขาเนี่เป็นไงจิตใจก็ห่อเฉียวเลยเกิดความกลัวกับความหมดุดหิดนนีท่านกลังสอนว่าเนี่ยอย่าไปเวลาใครชมก็อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มนะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอผูกเขาต่อว่าหรือว่าทำไม่ได้อย่างที่เคยทำหรือพอผิดหวังขึ้นมาก็จะเสียใจอีกอย่างก้ต้องการกำลับอัตตาเลยนะ ใครชมยังไงก็อย่าให้อัตตาผของโตนะเพราะถ้าอัตตาผองโตนี่้อจะเจอนะการบ้านจะเจอการกำราบของครูบาอาจารย์บาเนื้อนันี้แล้วก็เป็นการฝึกสติไปด้วยนะว่าทำยังไงเนี่ยระหว่างที่สวปดปฏิโมกเนี่ยมีมีคนแซกมีคนพูดมีคนฉุดจีวรก็ยังสามารถจะครองสติมีสมาธิได้เพราะท่านสอนหลายอย่างนะแต่ปกติครูบาอาจารย์เนี่ย ไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเวลาสวดปฏิมโมกก็จะต้องฟังด้วยความเคารพนะแต่ว่าหลวงพ่อาชานี่ท่านท่านกล้าที่จะพูดแทรกพูดขัดนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทํากันและตัวท่านเองก็ไม่ได้กลัวนะว่าจะเสียภาพพจนะ์ของครูบาอาจารย์นะว่าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ไปแทรกไปขัดคนสวดปฏิมโมกได้ยังไงถ้าไม่สนใจนะเพราะวสิ่งที่ท่านทําก็คือเพื่อสอนสอนลูกศิษย์ แล้วก็เป็นการกำราดอัตตาทร้งหมดนี้ก็เป็นการเป็นการเป็นการฝึกด้วยการทำให้เกิดความผิดหวังทำให้เกิดการขัดใจนะเพราะว่าจิตใจของเราถ้ามันถูกขัดเมื่อไหร่นี่มันก็มีโอกาสที่จะงดงามได้ที่จริงเราไม่ต้องรอนให้ครูบาอาจารย์มาขัดใจเราหรือมาอก่อกวน นะเพื่อทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จริงสิ่งที่ขัดใจเรามันมีตลอดเวลามันมีอยู่ทุกวันนะไม่ใช่จากครูบาอาจารย์อาจจะอาจจะอาจจะกสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นนินฟ้ากานแล้วก็จากผู้คนรอบข้างคนในวัดนะคนในบ้านคนใกล้ตัวส่วนใหญ่พอเจอใครขัดใจเนี่ยเราจะไม่ชอบนะเกิดความโกรธเกิดความโมโหแบบนี้เรียกว่าขัดทุนนะ ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ว่าสอบตกแต่ถ้ามองว่าเนี่ยเออเข้ามาขัดเข้ามาช่วยขัดใจเราให้สะอาดก็นะามาช่วยเป็นแบบฝึกหัดให้เรามีสติรู้ทันนะหรือว่าช่วยลบเหลี่ยมลบมุมนะให้จิตใจเราประณีตงดงามตอนเราคิดแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่ขัดใจเราก็เป็นครูบาอาจารย์เราได้เหมือนกันไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์มาขัดใจเราเพราะว่า คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็พร้อมที่จะขัดใจเราได้เสมอและตจริงๆแล้วเนี่ยแต่สมัยนี้ก็ไม่แน่นะบางทีครูบาอาจารย์ขัดใจเนี่ยกลับไม่ชอบกับโมโหกลับต่อว่าครูบาอาจารย์ก็มีเพราะเดี๋ยวนี้เราปรารถนาการตามใจปรารถนาการทําอะไรที่มันถูกต้องบางทีครูบาอาจารย์ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราโมโหนะทั้งที่สิ่งนั้นทำเนี่ย ไม่ถูกต้องก็จริงนะแต่เป็นไปเพื่อขัดใจเรานะตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าอาจารย์ฝรั่งที่ให้นักศึกษาไทยได้ b บวกแทนที่จะ A นี่ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่านักศึกษาสมควรได้ A หรือว่านักกีฬาที่ตีลูกเนี่ยดีนะแต่โค้ดบอกว่าตีลูกออกนี่ก็ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเป็นเจตนาที่ดี หรืออาจารย์ชุนเรียวเนี่ยที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยกินแฮมเบอร์เกอร์เนื้อทั้งในตัวเองเนี่ยสั่งแฮมเบอร์เกอร์ชีสเนี่ยอันนี้อาจจะมอเป็นการแปล้งกันนะแต่ว่ามันเป็นการฝึกให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งถี่หลงวงพราชาเนี่ยกระตุกจีวรของพระชี่สวดปฏิโมทเนี่ยถ้าพูดถึงความถูกต้องแร้วไม่ถูกต้องหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะสภการเรียนรู้ของผู้คน ในควาเดียกันณคนที่อยู่รอบข้างเราอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็สามารถจะเป็นสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของเราได้เพราะอย่าง้ากมันก็ช่วยขัดใจเราให้มีความงดงามขึ้นได้ถ้าเรามองเป็นใช้เป็นอยัยยนี่พูทธานีนะ